พระไตรปิฎกเล่มที่11ประสูตรที่สองอุทุมภริกสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาฏที่อุทุมภริการามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะภูเขาคิจกูดเขตรกรุงราชฤท์สมัยนั้นนิโคระทปริภาชกอาศัยอยู่ในปริปชาการามของพระนาอุทุมภริกาพร้อมกับปริภาชกบริษัทมื่ใหญ่ประมาณ 3,000 ันคน สำหรับคำว่านิโคระทะปริภาชกคำในพระไตรปิฎกหลายคำสามารถอ่านได้หลายแบบขออนุญาตอ่านตามบาลีนะครับแต่บางท่านอาจจะอ่านว่านิโครธปริภาชกยังไงก็อยากให้สนใจเนื้อหาหลักเป็นแก่นมากกว่าครั้งนั้นขหาบดีชื่อสันทานะออกจากกรุงราชครึกเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวัน หมายถึงพึ่งจะเลยเที่ยงหรือพึ่งจะบ่ายจึงยังคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับหลีกเร้นคือทรงเข้าฌานอยู่จึงคิดว่าควรเข้าไปหานิโคระทับปริภาชคก่อนจึงเดินทางไปเวลานั้นนิโคระทับปริภาชกนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมูใหญ่ สนทนาการด้วยเสียงดังอื้ออึงถึงดีรชานกาถาต่างๆคือเรื่องทางโลกเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติศึกษาธรรมนิโครธาปริภาชกเห็นสันทานะคาหบดีมาแต่ไกลจึงสั่งสาวกให้เงียบเสียงครั้งนั้นสันทานะคาหบดีเข้าไปหานิโครธาบริภาชกได้กล่าวว่า เด ร, รถีปริพาชกเหล่านี้มาพบปะสมาคมกันแล้วมีเสียงดังอื้ออึงอยู่มักสนทนาถึงเด ร, รชานกาถาต่างๆแต่ฝ่ายพระผู้มีพระภาคนั้นทรงชัยเสนาสะนะเป็นป่าอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนเงียบสงัดจากผู้คนควรแก่การหลีกเล้น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 เหมือนโคตาบอดเดินวนเวียนอยู่ณนะภายในที่สงัดเท่านั้นขหบดีขอให้พระสมณะโคโดมมาสู่บริษัทนี้เถอะพวกเราจะผูกพระสมณะโคโดมด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นเหวียงให้หมุนเหมือนหมอเปล่าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสดับถ้อยคาสนทนาระหว่างสันทานากหาบดีกับมิโครทปบริพาโชคนี้ด้วยทิพสโสทธาต อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จึงเสด็จลงจากภูเขาคิดชกูรไปยังฝั่งสะโบกคารณีสุมาคาธาเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งนิโครธาบริพาชกเห็นดังนั้นจึงบอกให้สาวกเงียบเสียงโดยตั้งใจอยากให้พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาและจะได้ถามปัญหาลัทธิกิดกันบาปด้วยตบะ ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหานิโครทัปปริพาชคถึงที่อยู่นิโครทัปปริพาชคจึงทูลเชิญแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่ากําลังสนทนาเรื่องอะไรกันค้างไว้นิโครทะจึงตอบตามจริงถึงความคิดที่ต้องการจะถามว่าทำมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวกทำให้เหล่าสาวกถึงความเบาใจ ปติญญาอาธิพรหมจันทร์อันเป็นที่พึ่งสูงสุดหมายถึงประเสริฐสุดอาธิพรมจันทร์ในที่นี้หมายถึงโลกุตระมัคหรืออริยมัคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้มีทิฏฐิแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันหรือได้ยากจงถามปัญหาเรื่องกีดกันบาปอย่างยิ่ง ในลัทธิอาจารย์ของท่านจะดีกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปริพาชกเหล่านั้นได้ส่งเสียงอื้ออึงขึ้นว่าระสมณะโคดมทรงหยุดลัทธิของพระองค์ไว้ทรงเปิดโอกาสให้ถามลัทธิคนอื่นได้ขณะนั้นนิโครธปริพาชกจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ ถือลัทธิกิจกันบาปด้วยตะบะมีการกิจกันบาปด้วยตะบะเป็นแก่นสารยึดติอยู่กับการกิจกันบาปด้วยตะบะการกิจกันบาปด้วยตะบะที่บริบูรณ์เป็นอย่างไรที่ไม่บริบูรณ์เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านิโครลทะบุคคลผู้บำเพ็ญตะบะในโลกนี้ข้อนี้หมายถึงการตอบตามการบำเพ็ญตะบะ ของเหล่าปริพาชคนั้นการบำเพ็ญตะบะในโลกนี้เป็นอจเจลกะบหมายถึงนักบวชประพฤติเปลือยกายมีข้อปฏิบัติคือไม่มีมารยาทเลียมือไม่รับอาหารด้วยวิธีต่างๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อกินผักดองข้าว้างลูกเดือยไม่ดื่มน้ำเย็นยังชีพด้วยอาหารถาดน้อยกินอาหารค้างคืน ยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่ง15วันกินอาหารครั้งหนึ่งอาบน้ำวันละสามครั้งทรงตรัสถึงข้อปฏิบัติของผู้เป็นอาจรลกะไว้โดยละเอียดเนื้อความตรงนี้ข้อความเหมือนในมหาสีหนาทสูตรเรื่องอาเจรลกะส ป, ปะทุกอย่างนะครับนิโคโรัทะเมื่อเป็นดังนี้การกีดกันบาปด้วยต บ, บะคือวิธีปฏิบัติยึดมั่นการกระทาเหล่านั้น ถือเป็นละที่ที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์นิโครทะทูลตอบตามความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ตนถือปฏิบัตินับถืออยู่ถือว่าบริบูรณ์แต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบว่าแม้ที่ถือว่าบริบูรณ์อย่างนั้นก็ยังมีอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองอยู่เป็นอันมากนิโครทะจึงทูลถามว่าเพราะเหตุไรจึงตรัสเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตริบัตบถึงอุปกิเลตคือเครื่องเศร้าหมองของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะข้อยึดถือปฏิบัติเพื่อการเป็นอเจลกะที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปถือว่ายังมีเครื่องเศร้าหมองคืออุปกิเลสแบ่งเป็นข้อต่างๆมีดังนี้ 1. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้ยึดมั่นตบะเขามีใจยินดีมีความดาริอันบริบูรณ์ด้วยตบะนั้น คือพอใจในการบำเพ็ญแต่ตะบะเท่านั้น 2. บุคคลผู้บำเพ็ญตะบะยึดมั่นตะบะเขายกตนข่มผู้อื่นด้วยตะบะนั้น 3. บุคคลผู้บำเพ็ญตะบะยึดมั่นตะบะเขาโมวเมาหมายถึงโม่เมาเกิดจากมานะความถือตัวหลงไหลถึงความประมาท้วยตะบะนั้น สบุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมันตบะเขาทำลาบคือปัจจัย4ประการที่เขาเตรียมไว้เพื่อน้อมถวายเขาทำลาบสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขามีใจยินดีมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยลาบสักการะและความสรรเสริญนั้น 5. เขาทำลาบสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้น เขายกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสการะและความสรนเสริญ น, นั้น 6. เขาทําลาบสการะและความสัเสนเริญให้เกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขาหมัวเมาลหลงไหลถึงความประมาทด้วยลาบสการะและความสรนเริญ น, นั้น 7. บุคคลผู้บำเพ็ญตะบะยึดมั่นตะบะถึงกับแบ่งโภชนะสองส่วนว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งใดที่เขาไม่ชอบ เขาก็อยากทิ้งส่วนนั้นส่วนสิ่งใดที่เขาชอบเขาก็ผัวพันยินดีหลงไหลยึดติดสิ่งนั้นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ 8. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเพราะเหตุแห่งความอยากในลาบส ก, การักและความสรรเสริญ้วยคิดว่าพระราชามาหาอามาตกษัตริย์รามกษบดี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 สิบบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเห็นสมณะหรือพรามอื่นผู้กำลังได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่ในตระกูลทั้งหลายเขาด â รฤกอย่างนี้ว่าในตระกูลทั้งหลายคนทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพรามชื่อนี้ที่เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างแต่ในตระกูลทั้งหลายไม่มีใครสักการะเคารพนับถือบูชาเราผู้บำเพ็ญตบะ ซึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุเศร้าหมองข้อนี้หมายถึงการเลี้ยงชีพด้วยการกินไม่กินและวิธีปฏิบัติของอาเจรากระทั้งหลายนะครับเขาทําความริษยาในที่นี้หมายถึงการทําลายสการะและความตรณีในที่นี้หมายถึงความไม่พอใจที่เห็นเขาทําสการะเป็นต้นแก่คนอื่น เขาทำความริษยาและความตรณีให้เกิดขึ้นในตระกูลทั้งหลาย 11. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้มีปกตินั่งในที่ที่คนเห็นได้ 12. เที่ยวอวดตนในตระกูลทั้งหลายว่าการกระทำแม้นี้ก็มีในตบะของเรา 13. ใช้ประโยชน์จากความผิดบางอย่างที่ปกปิดไว้ ทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อถูกผู้อื่นถามว่าสิ่งนี้ควรแก่ท่านหรือจึงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรว่าควรกล่าวถึงสิ่งที่ควรว่าไม่ควรเขาพูดเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ 14. เมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตกำลังแสดงธรรมอยู่ย่อมไม่คล้อยตามธรรมบัญญาที่ควรคล้อยตามอันมีอยู่นั้นเทียว ข้อ15ถึง22บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้มกโกรธหูโกรธไว้เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรนีเป็นผู้โอ้อวดมีมายาเป็นผู้กระด้างถือตัวจัดเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาชั่วเป็นผู้มีความเห็นผิดประกอบด้วยอันตคาหิกะทิฐิ เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากทั้งหมดทุกข้อที่กล่าวมานี้แหลเป็นอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของบุคคลผู้บำเพ็ญตะบะเหล่านั้นนิโครทะการกีดกันบาบด้วยตะบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลสถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การกีดกันบาปด้วยตบะเหล่านี้เป็นอุปกิเล์แน่นอนข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านี้ครบทุกอย่างเป็นฐานะที่จะมีได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลผู้มีอุปกิเลสเพียงบางข้อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับนิโครททากว่า บุคคลผู้บำเพ็ญตะบะในโลกนี้ผู้ไม่กระทาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด22ข้อนั้นเขาชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนั้นเมื่อเป็นดังว่ามานี้ถือเป็นลทัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้ถือเป็นลทัทธิที่บริสุทธิ์นับเป็นลทัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นนิโครทะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ หาเป็นลัทธิที่ถึงยอดถึงแก่นไม่นี้เป็นเพียงลัทธิที่ถึงเพียงสะเก็เท่านั้นนิโครทะทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงไรจึงเรียกถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสตอบว่านิโครทะบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้เป็นผู้สํารวมด้วยสังวรสี่ประการคือหนึ่ง ไม่ทําชีวิตให้ตกล่วงไปไม่ใช้ผู้อื่นให้ทําชีวิตให้ตกล่วงไปเมื่อผู้อื่นทําชีวิตให้ตกล่วงไปก็ไม่ดีใจข้อนี้หมายถึงไม่ฆ่าด้วยตนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและไม่ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นฆ่า 2. ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ใช้ให้ผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ เมื่อผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ไม่ดีใจสามไม่พูดเท็จไม่ใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จก็ไม่ดีใจสี่ไม่เสพการมคุณไม่ใช้ให้ผู้อื่นเสพการมคุณเมื่อผู้อื่นเสพการมคุณก็ไม่ดีใจการที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะ จะเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการได้ก็เพราะเขามีสิ่งต่อไปนี้คือโดยความเป็นผู้บำเพ็ญตะบะเขารักษาศีลให้ยิ่งไม่กลับมาเป็นข้ารือหัดเขาพักอยู่นาเสนาสนะเงียบสงัดคือปา่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเขากลับจากบินธบาตภายหลังฉันพัฒนาหเสร็จแล้ว นั่งคูบันหลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเขาละอภิชาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในโลกในโลกในที่นี้แปลว่าสภาพที่ต้องแตกสลายในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันธ์ห้าประการคือความยึดติดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่ามีตัวตน และเป็นของตนอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สำหรับอุปาทานขันห้าเรียกสันส้นๆว่ารูปกับนามก็ได้เช่นกันนะครับดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีใจปราศจากอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทความคิดร้ายมีจิตไม่พยาบาท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 ข้อนี้บางแห่งแปละว่าความฟุ้งซ่านและรําคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชําราจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจา ก, กุกขิจะละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้ไม่มีความสงสัยในกุศลลธรรมทั้งหลายอยู่ชั่มราจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา นี้คือการละนิวรณ์ห้าประการโดยลําดับเมื่อเขาละนิวรณ์ห้าประการนี้ได้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทอนกําลังปัญญาเมื่อละนิวรณ์ห้าได้แล้วมีเมตตาจิตมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทั่วทุกทิศแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหลา่าในที่ทุกสถาน ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาจิตอันไพ่บู์เป็นมหกักะตไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นิโครธทะเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกิจกันบาปด้วยตะบะเช่นนี้ถือว่าเป็นลัทิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้ ถือว่าเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์ที่ถึงยอดถึงแก่นทีเดียวนิโครธาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยังไม่เป็นลัทธิที่ถึงยอดถึงแก่นที่แท้เป็นลัทธิที่ถึงเพียงเปลือกเท่านั้นนิโครธะทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงไรจึงเรียกถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับเขาตอไปว่านิโครธะ บุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้เป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสีประการบำเพ็ญตบะเขารักษาศีลพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดละนิวรห้าประการได้แล้วมีเมตตากรุณามุทิตาอุบเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทั่วทุกทิศด้วยจิตนั้นๆอันไพยบู์เป็นมหคัตต์ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองสามสี่ห้าชาติบ้างสิบยี่สิสามสิบสี่สิบชาติบ้างห้าสิบร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตกับและวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างระลึกชาติได้ว่าในภพน้นเรามีชื่อตระกูลวันนะอาหารสวยสสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น จุติคือเคลื่อนจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่อตระกูลวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้นิโคระะเมื่อเป็นดังว่ามา น, นี้การกิดกานบาปเบื้องตะบะดังนี้ เป็นลทัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้ถือว่าเป็นลัทธิที่บริสุทธิ์แน่นอนเป็นลัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นมีโครธะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นลทัทธิที่ยังไม่ถึงยอดและถึงแก่นที่แท้เป็นลัทธิที่ถึงเพียงกระพีเท่านั้น นิโครธทะทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงไรจึงเรียกถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบกับเขาตอบไปว่านิโครธทะบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้เป็นผู้สำรวมด้วยสังวรสี่ประการรักษาศีลให้ยิ่งพักอยู่นเสนาสนะอันเงียบส ง, งัดละนิวรห้าประการได้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิต แผ่ไปทั่วทุกทิศไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติเขาเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เขารู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า มูสัตที่ประกอบด้วยกายวาจาใจเป็นทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหรือนรกแต่มูสัตที่ทำความดีด้วยกายวาจาใจมีความเห็นถูกหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติคือโลกหรือสวรรค์ เขาเห็นหมูสัตว์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลนิโคระทะเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตะบะเช่นนี้ถือว่าเป็นลทัทธิที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตะบะด้วยวิธีเช่นนั้นเป็นลทัทธิที่บริสุทธิ์แน่นอน ไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์เป็นลทัทธิที่ถึงแก่นเป็นลทัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นนิโคโระทะการกิดกันบาปด้วตะบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นลทัทธิที่ถึงยอดและถึงแก่นท่านกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนําเหล่าสาวกทําให้เหล่าสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนําแล้วถึงความเบาใจ ปติญญาอาธิปรมจันท ร, ร์อันเป็นที่พึ่งสูงสุดเหตุอันยอดเยี่ยมกว่าและประณีกว่าที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นธรรมะที่เราใช้แนะนําเหล่าสาวกทําให้เหล่าสาวกที่เราแนะนําแล้วถึงความเบาใจปติญญาอาธิปรมจรรันทร์อันเป็นที่พึ่งชั้นสูงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วปริภาโชคเหล่านั้นส่งเสียงอื้ออึงว่า ในเรื่องนี้พวกเรากับอาจารย์ชิดหายละพวกเรากับอาจารย์วอดวายละพวกเราไม่รู้มากยิ่งไปกว่านี้เลยอธิบายคำว่าถึงยอดและถึงแก่นในที่นี้หมายความว่าถึงยอดและถึงแก่นตามลทัทธิเดียรถีซึ่งมีอุปมาว่าลาบสัการะเหมือนกิ่งไม้และใบไม้ศีลห้าเหมือนสะเก็ดไม้ สมาบัติแปดเหมือนเปลือกไม้ปุเพนิวาสานุสติคือยานที่ทำให้ระลึกชาติได้และอภิน ญ, ญาอันเป็นที่สุดเป็นกระพีไม้ส่วนทิพจักขุคือยานที่ทำให้มีตาทิพเหมือนแก่นไม้สำหรับความหมายแท้ตามพระพุทธศาสนามีอุปมาว่าราบสักการะเหมือนกิ่งไม้และใบไม้ ปาริสุดที่ศีลสี่เหมือนสะเก็ดไม้ชาณสมาบัตเหมือนเปลือกไม้อภิญญาที่เป็นโลกิยะเหมือนกระพีไม้มรรคผลคือการบรรลุธรรมเรียบเหมือนแก่นไม้สำหรับพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงอธิบายทีละลำดับอุปมาตั้งแต่ต้นจนถึงยอดและแก่นตามลทัทธิหรือความเชื่อของเหล่าเดียรถีนั้น ซึ่งสุดท้ายทรงสรุปว่าในทางพระพุทธศาสนายังมีสิ่งอื่นซึ่งเหนือกว่านี้ที่พระองค์ใช้อบรมสั่งสอนภิกษุสาวกซึ่งเรื่องที่ตรัสผ่านมานั้นยังทรงตรัสถึงแค่แก่นสูงสุดของลัทธิอื่นยังไม่ได้ตรัสถึงแก่นสูงสุดของพระพุทธศาสนาคำสรารภาพผิดของนิโครทะทบริภาชก เมื่อสันทานะคหาบดีได้เห็นอัญญะเดียรถีปริพาชคเหล่านี้ตั้งใจฟังพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเงียโสดลงสะดับไม่ส่งจิตไปในที่อื่นโดยแท้จึงได้กล่าวกับนิโคระทปริพาชคถึงเรื่องที่ดูหมินพระผู้มีพระภาคไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาหาว่าทรงประทับหลีกเล้นในที่สงัดเพราะไม่ฉลาดไม่สามารถตอบปัญหาใครได้จึงลบหน้าผู้คน นิโคระธาปริพาชกนางนิง่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าตอบโต้ไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเขายอมรับว่าจริงพระองค์จึงตรัสว่านิโคระธาท่านเคยได้ยินปริพาชกผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นป้าาจารย์หมายถึงอาจารย์ของอาจารย์พูดกันอย่างนี้บ้างไหมว่า พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตการสเสด็จมาพบปะสมาคมกันแล้วมีพระสุรเสียงดังคื้ออึงอยู่มักทรงสนทนาถึงดีรชานกถาต่างๆด้วยประการนั้นๆเหมือนท่านกับหล่อวริพาชกทั้งหลายพูดคุยกันในบัดนี้หรือว่าท่านเคยได้ยินมาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้น ทรงใช้สอยเสียงนาสนะเป็นป่าอันสงัดมีเสียงเบามีเสียงเอ็ดอึ่งน้อยราจากเสียงพูดของคนที่สัญจรเป็นสถานที่กวนแก่การลีกเล่นเหมือนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในบัดนี้นิโครธทะยอมรับว่าได้ยินมาจากอาจารย์ว่าเป็นอย่างข้อหลังและได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความผิดได้ครอบงามข้าพระองค์ผู้โง่เขลาไม่ฉลาดขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์ตามความผิดเถิดเพื่อจะได้สำรวมต่อไปนิโคระทะเอาเธอเมื่อเธอเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพตามความเป็นจริงดังนั้นเราขอรับทราบความผิดนั้นของท่านก็ผู้ที่เห็นความผิดว่าเป็นความผิด แล้วสรารภาพออกมาตามความเป็นจริงรับว่าจะสํารวมต่อไปวิธีนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับนิโครทะและปริพาชกทั้งหมดว่าบุรุษผู้รู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนตรงจงมาเถอะเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติตามธรรมที่สั่งสอนเพียงเจ็ดปีก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งโพรมจันเป็นธรรมที่เหล่าลบุรุรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่แท้หมายถึงบรรลุธรรมสเร็จเป็นอรหันต์ทรงตรัสข้อความเช่นเดิมเพียงแต่ไล่ลาลดับลงมาเป็น6ปี5ปีจนถึง1ปี จนถึงหนึ่งเดือนจนถึงแม้เพียงเจ็ดวันเป็นที่สุดก็สามารถทำให้แจ้งถึงที่สุดทุกบรรลุธรรมเป็นอรหันได้ข้อนี้เป็นการตรัสยืนยันว่าบุคคลที่ออกบวชปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์สั่งสอนมีใจน้อมรับพระธรรมสูงสุดเพียงเจ็ดปีต่าสุดเพียงเจ็ดวันก็จะบรรลุธรรมได้จริงนิโครทัะ ที่เรากล่าวมานี้ไม่ได้ปรารถนาให้ท่านเป็นอันเตวาสิก ค, คือเป็นลูกศิษย์ของเราผู้ใดเป็นอาจารย์ของท่านจงเป็นอาจารย์ของท่านต่อไปเราไม่ได้ปรารถนาให้ท่านเคลื่อนจากอุเทศหมายถึงแบบแผนแห่งธรรมไม่ได้ปรารถนาให้ท่านเคลื่อนจากอาชีพอุเทศและอาชีพใดของท่านก็จงเป็นไปตามเดิมเราไม่ได้ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ดำรงอยู่ในอคุสน ล, ลธรรม และธรรมะที่นับเนื่องในอากุศลธรรมไม่ได้ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรมและธรรมะที่นับเนื่องในกุศลธรรมจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่นิโครธะเราแสดงธรรมเพื่อให้ละอากุศลธรรมที่ยังละไม่ได้ที่เศร้าหมองที่สร้างพบใหม่ที่มีความกระวนกระวายที่มีความทุกข์เป็นผล ที่เป็นปัจจัยแห่งความเกิดความแก่และความตายต่ อ, ตอไปท่านทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมแล้วจักระรมเป็นเหตุให้เศร้าหมองได้ในที่นี้หมายถึงการเกิดขึ้นของอกุศลจิตสิองคือโลภามูลจิตแปโทสะมูลจิตสองและโมหะมูลจิตสองท่านทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมแล้ว ทำเป็นเหตุให้ผ่องแพร่จัดเจริญยิ่งขึ้นในที่นี้หมายถึงภาวนาสองประการคือสมถภาวนาการเจริญการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิและวิปัสนาภาวนาการเจริญปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งท่านทั้งหลายจะรู้แจ้งความบริบูรณ์แห่งปัญญาคือมัคคปัญญาและความไพบู์คือภลปัญญา ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมแล้วจกละทําเป็นเหตุให้เศร้าหมองได้ทำเป็นเหตุให้ผ่องแผ้วจัเจริญยิ่งขึ้นท่านทั้งหลายจะรู้แจ้งความบริบูรณ์แห่งปัญญาและความไพ่บู์ด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปริภพาชกเหล่านั้นได้นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าตอบโต้ไม่ได้ คล้ายกับถูกมาโดนใจครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่าโมคะบุรุษเหล่านี้ทั้งหมดถูกมานใจบาปโดนใจแล้วจนไม่มีใครแม้สักคนหนึ่งที่คิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีพวกเราจะประพฤติพรมจรรย์นในพระสมณโคดมเพื่อความรู้ทั่วถึงบ้างว่าเจ็ดวันจะก่อผลอะไรได้ พระผู้มีพระภาคทรงบรรเลือสีหานาศในอารามของปริพาชกของพระนางอุทุมภริกาแล้วทรงเหาะขึ้นสู่อากาศปรากฏพระองค์อยู่บนภูเขาพิจกูรส่วนสันทานะขหบดีก็กลับเข้าไปกรุงราชฤทิ์ในขณะนั้นเหมือนกันจบอุทุมภริกาสูตร บรรลือสีหานาถในที่นี้หมายถึงตรัสพระวาจาด้วยท่าที่องอาจดังพยาราชสีไม่ทรงวันเกรงผู้ใดเพราะทรงมั่นพระไทยในศีลสมาธิและปัญญาของพระองค์อธัสกถาอธิบายว่าคือบรรลือแล้วบรรลือแบบไม่กลัวใครเป็นการทำลายวาฏทะผู้อื่นและเป็นการประกาศวาฏทะของตน หมายเหตุผู้อ่านตามความเข้าใจของผู้บันทึกเสียงตอนท้ายพระสูตรนี้หมายถึงไม่มีใครคิดออกบวชหรือปฏิบัติตามเพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสยืนยันนี้ฟังเลยว่าถ้าปฏิบัติตามคำสอนจะบรรลุธรรมได้ใช้เวลาสูงสุดภายในเจปีต่ำสุดเพียงเจวันก็สามารถเข้าถึงธรรมหรือเกิดผลดีกับตัวเองได้แค่ไหนต่างพากันไม่สนใจนั่งนิ่งกันทั้งหมด เพราะความไม่ฉลาดไม่เข้าใจยังไม่พร้อมจะเข้าใจได้หรือเรียกว่าภูมิธรรมระดับจิตยังไม่ถึงจุดที่จะเข้าใจได้ในส่วนนี้ผู้อ่านจึงได้ย้ำมาตลอดนะครับว่าการฟังธรรมะบางครั้งต้องรอให้ระดับจิตหรือจิตเราพร้อมจะเข้าใจด้วยบางครั้งอ่านหรือฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแต่พอเวลาผ่านไปกลับมาอ่านและฟังซ้าจะเห็นว่าตัวเองไม่ได้เข้าใจจริง และเข้าใจลึกขึ้นจึงแนะนำว่าบางทีการฟังธรรมะให้สักแต่ว่าฟังผ่านๆไปก่อนไม่เข้าใจก็สักแต่ว่า ฟ, ฟังฟังภาพรวมของเนื้อหาทั้งเรื่องก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาฟังอีกทีในภายหลังในจุดที่สงสัยไม่เข้าใจและพยายามกลับมาฟังซ้าๆเมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละปีจะเห็นความจริงด้วยตนเองนะครับว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจ จะกลับเข้าใจได้ถูกตรงขึ้นกว่าเดิมมากหรือทำจิตให้ไม่ไหลลงต่ำไปกว่านั้นสังเกตนะครับถ้าเราฟังถามที่คิดว่าเข้าใจแล้วแต่ต่อมาไม่ฟังและปล่อยใจไปกับเรื่องทางโลกเราจะลืมเรื่องบาปบุญและเรื่องสาคัญในการเจริญสติและอื่นๆื่นพอกลับมาฟังก็เหมือนได้มีสิ่งกระตุ้นเตือนว่าชีวิตไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงควรดารงชีวิตอย่างไร จิตก็จะยกตัวสูงขึ้นอีกการฟังธรรมะเป็นประจำจึงเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38แปประการที่ไม่ใช่คาถาเอาไว้ท่องแล้วจะโชคดีตามที่งมงายและสอนให้สวดกันโดยแปลไม่ออกด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้เอามาท่องจนจำขึ้นใจแล้วนำไปประพฤติตามทั้ง38ข้อนั้นแล้วจึงจะโชคดีมีสุข เกิดอ น, นิสงส์ต่างๆและสมัยนี้เราโชคดีมากนะครับที่ไม่ต้องเดินทางไกลอยู่บ้านเปิดอินเทอร์เน็ตก็สามารถเลือกฟังธรรมะได้หลากหลายอย่างสะดวกสบายสำหรับการฟังธรรมะก็ควรทำแต่พอดีนะครับเห็นบางคนฟังก็ฟังมากเกินไปจนล้นก็มีให้จิตเขาได้พักบ้างจิตและสมองเนี่ยถ้าฟังอะไรนานเกินหรือซ้ำซากมันจะต่อต้านละล้าได้ จิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนสะสมกิเลสมายาวนานจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ละคนก็มีวิบากสะสมเยอะน้อยต่างกันบางคนก็ควรพักจิตบ้างเราไปกดข่มไม่เข้าสงบหรือบังคับให้อยู่แต่สิ่งใดซ้ำๆสำหรับบางคนนะครับจิตของเขาก็จะต่อต้านเอาได้จะไม่ได้รับประโยชน์แต่อาจเกิดโทษแทนเป็นแรงกดดันมหาศาลที่พร้อมจะระเบิดออก ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนคลั่งศาสนาจํานวนมากที่ทําเกินพอดีฟังธรรมะก็ฟังแบบไม่ให้จิตได้พักเลยยิ่งปังยิ่งศึกษายิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเกิดทิฐิแรงยิ่งมองคนอื่นชั่วเห็นตัวเองดีมองว่าตัวเองเข้าใจธรรมะมากกว่าคนอื่นเกิดอัตตาแรงจนน่ากลัวคนเหล่านี้มีให้เห็นจํานวนมากนะครับส่งผลเสียมากมายเราจะเห็นได้ชัดในยุคปัจจุบันตามเว็บบอร์ดสนทนาธรรมต่างๆ แนะนำว่าการพิสูจน์ว่าท่านเข้าใจธรรมะจริงไม่ใช่ท่องจําได้นะครับแต่หมายถึงจิตท่านมีเมตตาและละวางความยึดมั่นได้มากแค่ไหนต่างหากเมตตาจิตจะเป็นตัวบอกถึงจิตที่เข้าใจธรรมะได้จริงซึ่งจิตที่เมตตาสูงก็จะส่งผลต่องโงเห้งออร่าผิวพันธ์และความรู้สึกอบอุ่นสบายใจสงบเมื่อได้อยู่ใกล้กระแสจิตที่เย็น ซึ่งสัมผัสได้จริงลองดูนะครับเรานั่งใกล้กับคนบางคนเราจะรู้สึกหมุดหมิดฟุ้งซ่านจิตใจกระสับกระส่ายแต่นั่งใกล้บางคนเราจะรู้สึกเป็นสุขใจสงบหรือแม้แต่สถานที่บางแห่งที่เราเข้าไปแล้วรู้สึกหวาดกลัวจิตไม่สงบ ก, กับวัดบางวัดที่เข้าไปจะรู้สึกเย็นทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์รู้สึกผ่อนคลายสบายสงบ อันนี้เป็นพลังงานตามธรรมชาตินะครับดังนั้นทางสายกลางจึงจำเป็นมากทุกคนจะปฏิบัติเหมือนกันจะทำเหมือนกันหมดไม่ได้แม้แต่เรื่องกินนอนร่างกายบางคนเนี่ยอ่อนแอจะไปทำอะไรเหมือนคนอื่นไม่ได้เขาเรียกกินรีไม่เสมอกันบางคนร่างกายจิตใจเข้มแข็งก็เพ่งเพียนอดนอนได้ดีกว่าอดอาหารได้ดีกว่าครูบาอาจารย์ก็ยังเล่าไว้ให้ฟังนะครับว่า บางคนเนี่ยอดข้าวแล้วภาวนาดีส่วนบางคนต้องกินให้ยิ่มถึงจะภาวนาดียกตัวอย่างเด็กเล็กหรือวัยรุ่นที่จับไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมแล้ววันแรกจับอดนอนอดข้าวกันเลยร่างกายมันก็ประท้วงจิตก็ไม่พร้อมทั้งง่วงทั้งหิวแล้วก็เกิดแต่ความเครียดเมื่อเกิดความเครียดสมองก็หดตัวก็ไม่รับรู้อะไรนะครับกว่าร่างกายจะปรับตัวได้ก็ต้องผ่านไปหลายวัน บางทีก็หมดคอร์สพอดีก็กลายเป็นว่าจับเด็กไปทรมานและได้แต่ความฝังใจกลับมาว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องน่าเบือ่อทั้งหิวทั้งง่วงสมองหัดตัวก็รับรู้อะไรไม่ได้เหมือนทำทําให้จบจบไปเพียงเพราะคิดว่าการมาทําแบบนี้เป็นสิ่งที่ได้บุญมากแล้วเราช่างได้บุญมากเหลือเกินที่ได้มาปฏิบัติเข้าคอร์สนี้แต่ในความเป็นจริงกลับได้แต่อกุศลจิตเป็นหลัก จิตไม่สดชื่นและเข้าใจผิดในศาสนาพานให้เบื่อและส่งผลเสียต่อคนรุ่นใหม่ได้หลายคนก็มาปฏิบัติบ่อยเป็นนางฟ้าในวัดนะครับแต่กลับไปเป็นพญามารไปเป็นเทพธิดามานในชีวิตจริงความจริงแล้วถ้าเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมเราสามารถทําได้ทุกที่และทําถูกทางก็จะพบความสุขดับทุกข์ได้จริง เกิดจิตเมตตาได้จริงเกิดการเสียสละได้จริงมีฐานจิตได้จริงในพระวินัยก็ยังมีเนื้อหากําชับว่าให้บวชเด็กได้เมื่ออายุเท่าไหร่และกล่าวถึงความพร้อมของการที่ต้องมาอดข้าวและประพฤติ ธ, ธรรมเป็นเชิงว่าต้องพร้อมจริงมีเวลาว่างก็ย้อนกลับไปฟังพระไตรปิฎกฉบับประชาชนอีกรอบก็ได้นะครับเพราะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดแบบรวบสั้นกระชับและมีประโยชน์จริง สำหรับการปฏิบัติธรรมที่ส่วนใหญ่เราทำกันนะครับข้อให้สังเกตก็คือการจัดเด็กไปเข้าคอสพวกเนี้ยจะมีคนที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีบารมีถึงพอและปฏิบัติได้ผลจริงไม่กี่คนหรือถือว่าเป็นจำนวนน้อยมากแต่คนจำนวนน้อยนี่แหละที่แท้ไม่ต่างกับพวกที่ไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ผลแล้วก็ลือกันไปว่าที่เนียขวังขออะไรก็ได้ทั้งที่นับจริงๆง มีคนไม่ได้เป็นร้อยแต่คนได้อาจแค่คนเดียวพอเวลาผ่านไปนานๆคนที่ได้ทีละคนก็ลือกันต่อไปส่วนคนที่ไม่ได้อีกเป็นร้อยเพิ่มเป็นพันเป็นแสนก็ต่างเงียบและก็ไม่ได้สนใจอะไรในใจก็คิดว่ารอบุญไม่ถึงดวงไม่ดีหรือที่นี้ไม่ขลังอย่างที่บอกเลยแต่ก็ไม่ได้แสดงตัวอะไรเพราะคนไทยถือกติว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ อยู่เงียบไว้ซะดีกว่าแล้วก็ไปขอของของลังหรือเทวดาที่อื่นแทนการสอนศาสนาทุกวันนี้โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมนะครับก็แทบไม่ต่างอะไรกับคนเป็นโรคสารพัดแต่ให้กินยาชนิดเดียวกันมันก็มีคนหายและไม่หายแต่คนไม่หายย่อมเยอะกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยสอนไว้หมดแล้วนะครับจริตคนมีต่างกันต้องสอนกันต่างกันอย่างไร แต่ก็เป็นเรื่องน่าหนักใจว่าทำไมประเทศเราส่วนใหญ่ที่เห็นยังคงย่ำอยู่กับที่แบบนี้นะครับโดยใจยาชนิดเดียวให้กับคนที่เป็นสารพัดโรคอยู่เหมือนเดิมการไปเข้าคอสไปอยู่วัดความจริงควรจะเหมาะกับคนที่พร้อมศึกษาปฏิบัติมาระดับหนึ่งแล้วและเตรียมพร้อมมาดีแล้วหรือจัดการกินการนอนของคนมาใหม่ให้มันอยู่ในระดับพอดีวันแรกอย่าเพิ่งเข้มงวดมากนะัก เขานอนเขากินกันมาทั้งชีวิตแบบนั้นอยู่ดีๆมาห้ามทันทีมันมีผลต่อร่างกายและจิตใจไม่ใช่สักแต่ว่าจัดจัดไปให้เด็กเข้ามาอดข้าวอดนอนมาฟังธรรมะระดับสูงขั้นปล่อยวางซึ่งเป็นธรรมะของนัก บ, บวชผู้สละโลกตามจริงถ้าสอนเป็นธรรมะเนี่ยสอนในโรงเรียนก็พอแล้วนะครับของบางอย่างเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องรับทีเดียวรับแต่น้อยวันละนิดวันละหน่อยสะสมไปเรื่อยๆ แล้วพอพร้อมถึงค่อยไปเข้าคอร์สไปวัดไปปฏิบัติจริงจังก็เหมือนนักกีฬานะครับมันก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยฝนก่อนจะไปลงสนามจริงแต่ น, นี่เราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่ไปปฏิบตัติจับเด็กไปปฏิบตัติเด็กไม่เคยฝึกไม่เคยเกิดศรัทธาไม่เคยเกิดอะไรกันมาก่อนเลยเหมือนกับเราจับนักกีฬาที่ไม่เคยฝึกอะไรเลยอยู่ดีจับไปแข่งโอลิมปิกเลย การสอนในโรงเรียนถ้าสอนให้เข้าใจจริงให้เกิดศรัทธาจุดหลักคือจริงๆควรจะให้เข้าใจให้ศรัทธาในบุญบาปในกฎแห่งกรรมในผลกรรมมีจริงก่อนซึ่งมันสอนเป็นวิทยาศาสตร์ได้จริงนะครับไม่ใช่สอนศาสนาให้กลายเป็นวิชาประวัติศาสตร์ใครเกิดวันไหนแรมกี่ค่ำเดือนกี่ค่ำใครเป็นพ่อใครแม่ใคร หรือเป็นวิชาที่ท่องจำหลักที่ยากเกินเด็กจะพร้อมเข้าใจท่องหลักอริยสัจท่องหลักอะไรมากมายของพวกนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยนะครับแม้แต่ผู้ใหญ่หัวงอกบางคนยังเข้าใจไม่ได้เลยนะฮะก็ตราบใดที่ศรัทธามันยังไม่เกิดที่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงตราบใดที่ไม่เชื่อว่าผลแห่งกรรมมีจริงตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีกิเลส ไม่ว่าคุณจะท่องศาสนาได้แค่ไหนมันก็เป็นเพียงแค่เปลือกเท่านั้นเพราะว่าเราจะนิพพานไปทำไมถ้าเกิดเราไม่เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงถูกไหมครับแล้วการนิพพานคือจุดสูงสุดของศาสนาเราจะสังเกตได้ว่าการสอนศาสนาของบ้านเราบางทีมันย้อนแย้งกันเองเราสอนเพื่อไปสู่นิพพานแต่เราไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงครั้นพอเราจะเชื่อ รายการทีวีมากมายก็พร้อมจะสอนให้คนงมงายสอนให้เข้าใจคบชาติเรื่องผีเรื่องวิญญาณแบบผิดผิดแบบเข้าใจผิดแบบไม่รู้จริงทำให้คนที่เชื่อก็งมงายเชื่อแบบงมงายมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับส่งผนเสียด้วยซ้ำส่วนคนที่ไม่เชื่ออยู่แล้วก็ยิ่งไม่เชื่อไปใหญ่เพราะมันขาดเหตุขาดผลเมื่อศรัทธาไม่เกิดไม่เชื่อว่าบาบุญมีจริงภพชาติมีจริงผลกรรมมีจริง ผมถามว่าท่องหลักศาสนาได้ครบเนี่ยตอบได้ถูกทุกข้อได้คะแนนเต็มถามว่ามันมีประโยชน์จริงหรอสิ่งที่นํามาให้เด็กเรียนความจริงถ้าจะประกาศว่าเป็นเมืองพุธทธทําไมไม่เอาพระไตรปิฎกให้เด็กได้เรียนเอาแค่พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชนหรือฉบับที่เขาแปลง่ายสําหรับเด็กก็ได้นะครับแล้วเรียนให้เข้าใจอย่าเน้นเรียนเพื่อท่องจําได้ ทุกวันนี้เท่าที่เห็นตำราพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเปิดอ่านแล้วก็ไม่แปลกใจฮะว่าทำไมคนทั่วไปส่วนใหญ่ถึงเป็นแบบนี้เพราะการเรียนศาสนาที่ควรจะเป็นคือเรียนแล้วต้องเกิดสุขใจเกิดปัญญาแต่กลับกลายเป็นมิชาท่องจําศัพย์ยักยา ก, ยากและหลักการที่คนต้องโตพอเข้าใจชีวิตพอก่อนเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้จริงก็ได้แต่ท่องเป็นนกแก้วนกขนทองกันไป คนที่เกิดศรัทธาเข้าใจจริงส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตไหมครับว่าต้องอาศัยมาศึกษากันเองซื้อหนังสือข้างนอกมาอ่านเองหรือหาฟังกันเองภายนอกห้องเรียนแทบทั้งนั้นกระทรวงศึกษากรมศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรเข้าใจและปรับปรุงวิธีการสอนเด็กแตละวัยให้เข้าใจศาสนามันมีอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่การบังคับหรือการเรียนแบบที่ทําตามกันมาจริงๆควรเน้นการปฏิบัติควบคู่ ซึ่งสิ่งที่ทำอยู่ก็เป็นการสอนให้ปฏิบัติแบบผิดสมมากการทำสมาธิที่ถูกต้องมีอุบายหลายอย่างที่นำมาใช้ได้และง่ายต่อเด็กและวัยรุ่นและสิ่งที่ดีคือการทำน้อยๆแต่บ่อยเช่นก่อนเรียนทุกชั่วโมงแค่ 3-5 นาทีจะมีผลดีกว่าจับเด็กไปทำสมาธิทีละนานๆนนละสัปดาห์เดียวทาไม่กี่ครั้งหรือปีหนึ่งไปเข้าคอร์สกันสักเจดวันสิบวัน จริงๆแล้วการนั่งสมาธิที่ง่ายที่สุดที่ทำได้จริงซึ่งมีผลต่อการปรับคลื่นสมองให้สงบพร้อมจะรับรู้การศึกษาต่อไปถ้าง่ายสุดเลยก็เช่นการเปิดเพลงการเปิดเพลงบรรเลงให้ฟังก่อนเรียนหลับตาแล้วผ่อนคลายฟังเพลงบรรเลงก่อนเรียนทุกชั่วโมงสักหนึ่งเพลงหรือจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมก็ได้นะครับ ซึ่งในงานวิจัยระบุไว้แล้วว่าสมองมนุษย์สามารถมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนทุก45นาทีควรจะพักยังไงก็อยากให้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังได้จริงๆสำหรับการสวดมนต์จริงๆอยากให้เด็กและวัยรุ่นได้สวดภาษาไทยล้วนนะครับเฉพาะคำแปลไปเลยจะดีกว่าการจับให้สวดบาลีหรือสวดบาลีคาแปลไทยคานะครับ ทุกอย่างมันมีความเหมาะสมนะครับถ้าอยากให้สวดบาลีก็ทําให้เหมือนอิสลามไปเลยก็คือจับเด็กเรียนบาลีจนอ่านบาลีและเข้าใจเลยอันนั้นก็ดีกว่าหรืออย่างตัวอย่างศาสนาคริสต์เห็นไหมครับว่าเขาจะแปลบทสวดเป็นภาษาของท้องถิ่นนั้นๆเขาจะไม่มีการสวดอังกฤษคําแปลไทยคําข้อเนี้แหละที่ทําให้การสวมดมนต์เข้าถึงจิตใจได้โดยง่ายมันเหมือนการดูหนังนะครับถ้าเราดูหนัง ที่เราเข้าใจภาษานั้นเราก็จะอินไปกับเนื้อหาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเราต้องอ่านต้องแปลมันก็จะทำให้การซึมซับที่ดีเป็นไปได้ยากขึ้นก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสาหรับส่วนนี้เรื่องการสอนศาสนาก็ยังมีอีกมากนะครับที่ต้องการปรับปรุงรวมถึงผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งประเทศเราเนี่ยอ้างว่าเป็นเมืองพุทธ แต่ขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อย่างมากที่จะเข้าใจและอธิบายเรื่องหลักกรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลและรู้แตกฉานตอบปัญหาให้เด็กหายสงสัยได้จริงซึ่งตัวผู้สอนเองเนี่ยนะครับจำเป็นกว่ามากถ้าคนสอนเป็นคนดีเข้าใจจริงจะส่งให้ในักเรียนเข้าใจตามได้ไม่ยากและเห็นวิชาศาสนาเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าสนุก เรามีหลักสูตรการศึกษาทั้งทางโลกและทางศาสนามาเป็นกี่สิบปีผ่านมาแล้วแต่เห็นไหมครับว่าระดับประชากรเพิ่มคุณภาพในทางที่ดีมีคุณธรรมขึ้นหรือเสื่อมลงนี่คงเป็นคําตอบได้ดีนะครับว่าเรากําลังไปถูกทางหรือผิดทางอยากให้ฉุดคิดกันบ้างนะครับว่าสิ่งที่เคยบังคับเคยสอนกันมามันดีจริงแล้วหรือ ถ้าเกิดมันดีจริงป่านี้คนไทยคงมีวินัยมีคุณธรรมกันคับแผ่นดินไดแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏคือความเสื่อมร้มทางศีลธรรมวินัยมารยาทความเห็นแก่ตัวที่เสื่อมหนักลงอย่างรวดเร็ว mm. เทียบวันนี้กับ10ปีที่แล้วดูนะครับจะเห็นว่ามันตกต่ำไปไกลมากจนน่าตกใจแค่ไหนจากการบรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตมาเป็นสิปีนะครับพบว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมจะเข้าใจ ถ้าหากเราอธิบายได้ตรงกับสิ่งที่เขาอยากฟังและมีเหตุผลมากพอที่เขาจะเชื่อในแง่มุมที่พิสูจน์ได้และปัญหาสังคมไม่ได้เกิดจากเด็กไม่เข้าใจศาสนาแต่เกิดเพราะเราขาดครูและผู้ปกครองที่เข้าใจศาสนาและมีกุศโลบายมากพอที่จะสอนเด็กรุ่นใหม่ต่างหาก ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือการสร้างครูผู้แตกฉานในธรรมและทานโลกขึ้นมาให้มากเน้นอบรมคุณธรรมและวิทยาศาสตร์ทางจิตกับคนที่เป็นครูให้มากให้บ่อยให้ครูเป็นคนดีเข้าใจธรรมะจริงถ้าครูเข้าใจธรรมะจริงนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทำให้เด็กเป็นคนดีตามไปด้วยและเด็กพวกนี้หละที่จะโตเป็นพ่อแม่คนที่ดีต่อไปไม่ว่าจะสอนวิชาอะไร ถ้าครูเข้าใจธรรมะจะสามารถสอดแทรกคุณธรรมเรื่องกรรมลงไปได้เสมอและเมตตาจิตที่แผ่ออกมาเด็กก็จะสัมผัสได้กระแสเมตตาเนี่ยมันเหมือนการได้อยู่ใกล้แม่น้ำจะรู้สึกสบายจิตที่สบายเป็นกุศลจิตก็พร้อมจะพัฒนาจิตสำนึกให้สูงขึ้นได้โดยง่ายนะครับ ประเทศเราเนี่ยเรียนกันหนักมากแต่วิชาที่เรียนหนักๆล้วนเป็นวิชาที่ดับทุก์ไม่ได้ตัดวิชาไม่จําเป็นออกไปบ้างเถอะครับและเพิ่มวิชาที่จะพัฒนาจิตเด็กเป็นหลักกันก่อนดีกว่าตัดกฎระเบียบที่ทําลายพัฒนาการทางสมองของเด็กออกไปบ้างทั่วโลกเนี่ยเขาเข้าใจกันหมดแล้วว่าอะไรดีไม่ดีต่อเด็กในแต่ละวัยแต่การศึกษาไทยก็ยังคงทําอยู่ซึ่งวิทยาศาสตร์ทางจิตจะช่วยเรื่องนี้ได้ตรงทาง เรื่องคลื่นสมองฮอร์โมนพฤติกรรมภาวะทางจิตและอื่นๆซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่เอามาพัฒนาคนได้จริงสำคัญที่สุดคือคนเป็นครูต้องรู้ต้องเข้าใจแตกฉานก่อนนะครับดังนั้นงบประมาณมหาศาลควรจะหมดไปกับการสร้างครูให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเป็นหลักเมื่อมีครูมีคุณภาพมีคุณธรรมเข้าใจหลักกรรมต่อปัญหาได้ด้วยเหตุผลที่ดีพอ การเข้าใจศาสนาของคนรุ่นใหม่ประชากรที่มีคุณภาพก็จะตามมาได้อย่างไม่ยากเลยเบื้องต้นสำหรับครูและผู้ปกครองนะครับแนะนำให้ลองไปศึกษาเรื่องวินัยเชิงลบซึ่งมีให้หาง่ายในอินเทอร์เน็ตแล้วเอาไปปรับใช้ดูจะพบว่าส่งผลดีต่อลูกหลานและนักเรียนของท่านแค่ไหนอย่างไรความพร้อมในการฟังธรรม จำเป็นต่อการเข้าใจอย่าสักแต่ว่าคิดว่าท่องจำข้อความได้หมดเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับพระธรรมไม่เหมือนวิชาทางโลกต้องอาศัยปัจจัยในการเข้าถึงมากมายทั้งทานศีลภาวนาลมลำดับแค่เรื่องง่ายๆอย่างผู้ไม่มีทานจิตไม่รู้จักสละไม่มีเมตตาจิตอยากสละเพื่อความสุขผู้อื่นอย่างแท้จริงทาทานก็ทาไปด้วยความโลภในบุญ ทำเพราะอยากได้บุญไม่ได้ทำเพราะอยากช่วยคนอื่นหรืออยากสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นจิตที่เต็มไปด้วยโลภะย่อมไม่ใสสะอาดจึงยากที่จะเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งยังไม่นับต่อมาคือผู้ที่ไม่มีศีลผู้ที่ไม่มีสติจิตไม่มีกำลังจิตมีโมหะกล้าซึ่งพระพุทธองค์จึงตรัสสอนเป็นลาดับแห่งการบรรลุธรรมไว้เป็นขั้นๆดังในพระสูตรนี้ หรือในพระสูตรอื่นเช่นเรื่องอนุกุปิกถาคือลำดับขั้นตั้งแต่ผลของทานการออกจากกามไปตามลำดับหรือแม้แต่ในพระสูตรอื่นที่แสดงให้เห็นว่าถ้าหิวถ้าเหนื่อยมาก็ยังทรงต้องรอให้เขาพร้อมจะฟังก่อนหรือถ้าเป็นคนลทัทธิอื่นมีความปักใจเชื่อแบบอื่นมาก่อนก็จะไม่ทรงตรัสบางเรื่องให้คนเหล่านี้ฟังเพราะเสียเวลาคนเหล่านั้นยากที่จะเข้าใจได้ในทันที แต่จะตรัสเรื่องดังกล่าวให้สาวกหรือผู้ที่พร้อมจะเข้าใจได้ทันทีหรือเป็นปัจจัยให้เข้าใจได้ในเวลาต่อมาจะตรัสให้คนเหล่านี้ฟังเท่านั้นซึ่งหลายท่านที่ท่องจาพระไตรปิฎกได้แม่นยำกลับไม่ฉุก ค, คิดเรื่องนี้นะครับและต่างพากันคิดว่าเรื่องที่ทรงตรัสกับนักบวชลัทธิ์ที่อื่นหรือคนบางคนเป็นสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ควรฟังไม่ใช่ทางดับทุกข์ กลับมองข้ามเรื่องที่ทรงตรัสให้สาวกและคนที่พร้อมได้ฟังซึ่งมีอยู่ในพระสูตรอื่นให้เห็นเป็นประจักษ์อย่างการทํานายว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ยังมีพระสูตรที่ทรงตรัสให้ชาวบ้านนาที่กับขามและชาวเมืองมคตได้ฟังด้วยเหตุเห็นว่าเมื่อได้ฟังแล้วคนที่ได้ฟังจะเกิดปิติอันยังประโยชน์ให้เขายิ่งเกิดความเลื่อมใสและสิ่งนี้จะนําไปสู่การตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนด้วยความเชื่อมัน่น แล้วนำไปสู่สุขติแต่จะเห็นว่าในบางสูตรปัญหาหรือเรื่องเดียวกันพระองค์จะไม่ทรงตอบคนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนจากลัทธิอื่นซึ่งเป็นการยากจะเปลี่ยนทิศทิจะทรงตรัสกับคนที่พอจะรู้เรื่องเท่านั้นหรือบางคนไม่รู้เรื่องในตอนนั้นก็จะเป็นปัจจัยเพื่อเป็นวาสนาติดตัวไปอันเป็นเหตุให้บรรลุธรรมในวันข้างหน้าหรือพบข้างหน้า ดังพระสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอธกิกถาก็อธิบายว่าแม้ปริพาชกเหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้วแม้ไม่ได้บรรลุคุ ณ, ณวิเศษหรือเกิดผลใดเลยแต่ก็ยังเป็นปัจจัยติดตัวไปเพื่อการบรรลุคุ ณ, ณวิเศษในวันข้างหน้าหรือพบหน้าต่อไปต้องกราบขออาภัยแด่พระรัตนตรยัยและครูบาอาจารย์เวณะที่นี้ด้วยนะครับ ที่แทกความเห็นส่วนตัวมาในพระสูตรนี้ก็ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระาศาสนาและส่วนรวมต่อไปในอนาคตก็ขอให้ท่านผู้ฟังโปรดนำไปพิจารณาถ้าสิ่งที่พูดไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็นำไปใช้ถ้าไม่ใช่ก็ฟังผ่านเลยไปอย่าไปสนใจนะครับสนใจแค่เพียงเนื้อหาหลักในพระสูตรก็พอในฐานะผู้ทางานเผยแผ่พระาศาสนา และเป็นศาสนาอื่นมาก่อนได้เห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่ถ้าเข้าใจก็เรียนให้สนุกและมีความสุขและดีประเสริฐงดงามมากดังนั้นก็อยากเห็นพระศาสนานิบริสุทธิ์และอยากเห็นลูกหลานรุ่นต่อไปเข้าใจได้ถูกทางผ่านระบบการจัดการที่ถูกต้องและตรงกับสังคมที่เปลี่ยนไปและน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น เพราะเท่าที่เจอมากับตัวเองนะครับพบปัญหาดังกล่าวจริงๆทั้งการไปปฏิบัติด้วยตนเองจนเห็นว่าสิ่งนี้คือปัญหาใหญ่ที่เสมือนการทำลายพระศาสนาทางอ้อมและตัดโอกาสการเข้าถึงธรรมกับคนรุ่นใหม่ที่มักจะเจอคำกล่าวจากครูทั่วประเทศว่าเด็กพวกเนี้ยสอนยากดือ้อหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อผมไปเจอด้วยตนเองนะครับก็พบว่าข้าเหล่านั้นแม้แต่เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ ส่วนใหญ่ก็ยังสอนง่ายพร้อมจะเข้าใจตั้งใจสนใจฟังและพัฒนาไปได้อีกไกลมากเพียงแต่ต้องมีคนที่เข้าใจเขาเข้าใจโลกเข้าใจวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่างแท้จริงด้วยเท่านั้นปากถึงคนเป็นครูบาอาจารย์และคนเป็นพ่อแม่นะครับถ้าอยากให้สิทธ์และลูกเป็นคนดีท่านลองถามตนเองก่อนว่าท่านนะ่ะดีพอเข้าใจพอศึกษาพอ เข้าถึงธรรมดีพอแล้วหรื อ, อยังถ้ายังต้องทําตนให้ดีให้ถึงก่อนจะไปสอนคนอื่นนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่าหวังเลยว่าจะเห็นสังคมมีแต่คนดีเพราะตัวท่านเองตัวเราเองก็ยังไม่ดีพอยังไม่เข้าใจศาสนาของตัวเองดีพอเลยฝากทิ้งท้ายไว้อีกสักนิดนะครับในพระพุทธศาสนามีคําว่าสัพไตยะคำคำนี้ เป็นสิ่งที่จําเป็นมากต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมบุคคลสัพปายะสถานที่สัพปายะอากาศสัพปายะอาหารสัพปายะหมายถึงมันต้องมีสิ่งที่เอื้ออำหนวยต่อบุคคลนั้นๆเจริบนั้นๆด้วยข้อนี้เป็นจุดสังเกตใหญ่นะครับว่าถ้าทุกอย่างสัพปายะหรือพร้อมหรือเอื้ออํานวยต่อคนคนนั้นต่อจริตนั้นๆ ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเอาแค่อากาศร้อนสถานที่หรือกระทึกคึกโครมหรือคู่สอนไม่เป็นกระยะนานมิตรพอมีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับที่จะทำให้เข้าใจทมสนใจธรรมและบรรลุธรรมได้ทุกอย่างต้องสัปปายะเราจะเรียนแบบคนอื่นไม่ได้แต่ละคนมีทางของตนเองซึ่งทุกคนก็ต้องศึกษาให้มากจนหาทางของตนเองเจอ แต่หลักกลางๆสำหรับสอนเด็กสำหรับสอนคนมาใหม่มันมีหลักกลางกลางอยู่แล้วนะครับที่เราสามารถจะปรับไปสอนและนำไปใช้ได้จริงทั้งนี้สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้สอนที่ต้องปฏิบัติให้ถึงและศึกษาให้เข้าใจทั่วถึงในทุกศาสตร์ก่อนด้วยคนที่ปฏิบัติเพื่อตัวเองบรรลุอาจจะไม่จาเป็นต้องรู้เยอะนะครับแต่คนที่จะเป็นผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรู้แตกฉานไม่ใช่ในสิ่งที่สอนแต่ต้องหมายถึงในหลายหลายศาสตร์ประกอบกันด้วยถึงจะส่งผลดีได้จริงจึงฝากไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้เจริญในธรรมครับ